ให้เป็นนิมิตเป็นสร้างความรู้ความรู้สึกตัวเนะ่ยมันเป็นความรู้เลื่อนๆล อ, นอยๆไม่ได้ต้องมาเม้นิมิตคือกายจึงจะเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นกรรมไม่ใช่คิดรู้นนรู้อันนี้ไม่ใช่ ควาู้สึกตัวที่อยู่ในกายอยู่ใน จ, ใจิตใจบางทีมันก็หลงกายมันก็หลงใจใช่ไปในทางหลงวั น, นี้ให้มันเป็นความรู้สึกตัวเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่ได้ตามรูปแบบของกรรมฐานตามหลักของสติปัฏฐาน มันเป็นหลักที่ปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธตรงนี้ก็เท่ากับปฏิเสธตัวเองเมื่อปฏิเสธตัวเองมันก็เลอะเลือนทำให้เกิดปัญหาเราจึงมาประกอบสติมันจะเกิดขึ้นก็เพราะการประกอบไม่ใช่ไปท่องจำเป็นการประกอบออก จนเคยกินจนเป็นนิสัยจนเป็นปัจจัยในกายม่ใจไม่สติมีการกระทำามีการปฏิบัติปฏิบัติก็คือทำเรื่อยๆให้ลู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หลงก็รลู้เรื่อยๆไป ความหลงมันมีความสุขความทุกข์มันมีมันเคยไหลเคยไหลไปหลายอย่างแบ่งปันกันไปเยอะแยะก็ะจุยกระใจไปหมดเลยรวมลงปฏิบัติเนี่ยมารวมลงปฏิบัติคือเอามารวมไว้เอามากองไว้เอามาตั้งไว้แม้มันจะหลงเข็ดไหลไปทางอื่นก็ามาตั้งไว้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 ไม่ก็ไม่เลื่อนลอยเห็นมีกายเอากายมาสร้างความรู้สึกตัวได้สําเร็จในใจเข้าใจมาสร้างความรู้สึกตัวได้สําเร็จทําได้สําเร็จสําเร็จกลัวทําทอย่างอื่นการปฏิบัติธรรมการเจริญสตย์เป็นความสําเร็จทันที ไม่ต้องมีการประเมินไม่ต้องมีอข้อมูลอะไรเป็นการสําเร็จได้ทันทีรู้จักตัวที่ไดยเอากายมาเคลื่อนมาไหวรู้จึกตัวสําเร็จทุกครั้งสําเร็จทุกครั้งรู้ต่อต่อกันไปรู้ต่อต่อกันไปความรู้จึกตัวที่มันมีในกายในกิตเนี่ย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 เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจก็าเรียกว่าธรมรมารมณ์เป็นขวางง่วงเอาหอนอนเป็นกรมรามละคะกิเลสตัณหาพยาบาทโลภโกรดหลงเรียกว่าธรมรมารมณ์ที่มันบวกกันมันก็เป็นอื่นไปถ้าไม่หลง <c oughs> ถ้าไม่หลงตรงนี้แล้วก็อันเื่นก็ง่ายง่ายไปเรื่อยๆ <c oughs> ง่าย <c oughs> ไปเรื่อย <c oughs> อย่าไปคิดว่ามันมีปัญหาความง่วงก็ไม่ใช่ปัญหาความคิดผุ้งส่อนความลังเลสงสัยความพยาบาทอาคะมานะทิฏฐิไม่ใช่เป็นปัญหามันให้บทเรียนมันเป็นประสบการณ์เจ่ผู้ที่จเจริญสติกนะส่วนที่จะยิ้ยมรับ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 คำดอาศัยกิริยาอาศัยไม่เลียวอาศัยเชื่อนนนมนั่นเหละมันเป็นเวลาใดที่เราจะโกรธให้กวยเราอดไม่ไม่ได้ไปโกรธให้มันไม่ได้ไปโกรธให้มันไม่ได้ไปตีมันหรือที่มันจะแสดงออกทางที่ผิดผิด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 ก็เก็บรักษาเอาไปประกาศถายเจ้าของไม่มีสินแล้วแต่คิดว่าตัวเองเก็บได้อันนั้นไม่มีสินแล้วตอนนั้นสินตอนที่มันมันเห็นความโลภความอยากกลายเป็นความเมตตากลายเป็นความรู้สึกตัวเห็นเห็นปกเห็นใจ <c oughs> ม่ก็ผิดสินทุกกรณี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 คงใจตัวเองที่มันไม่เป็นอื่นไปแก้ไขตัวเองได้ได้นิสัยใหม่ๆเคยมีความโกรธกลายเป็นความเมตตากาุณาเคยมีความหลงกลายเป็นความรู้ไปเป็นไปแบบนี้การปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เราทําฟรีๆไม่รู้ไม่เห็นอะไรอน้อยก็เห็นความรู้เห็นความหลง เราก็ต้องต้นจากตรงนี้ถ้าหลุดก็หลุดตรงนี้ถ้าผ่านก็ผ่านตรงนี้ผ่านความหลงมาเป็นความรู้ผ่านทุกอย่างมาเป็นความรู้สึกตัวทําไมเราจึงผ่านได้พราอเราสร้างความรู้สึกตัวเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่ตั้งก็เห็นอะไรต่างๆได้ฝึกฝนตนเองตลอดเวลา ได้ฝึกผลได้อบลงได้อบได้ลงให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแปลว่าอบเนี่ก็คือมันเนื้อมันดีกว่าที่จะไปทาไปปกไปหมืนเขาทบรถานะถ้าอบแล้วมันสุกดีแล้วเขาพ่นสีแล้วเขาเข้าลงอบมันซึมเข้าไป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 ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะยิ่งไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึ ก, สกตัวจริงๆกับยิ่งยิ่งไม่สดไม่สีสนะเห็นกายเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจทำให้เกิดความเข้มแข็งไปเรื่อยๆ ได้บทเรียนได้ประสบการณ์ปฏิบัติธรมการเจริญเสตีไม่แต่บทเรียนไม่แต่ประสบการณ์ไม่ใช่เหตุใช่ผลมาไปชนเราจริงๆไมาได้ตั้งใจไว้ก่อนไม่ได้เพ <c oughs> ื่อที่จะแก้ไว้ก่อนมันไปชนออก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 มันมีหลักยืนถ้าเราได้ไม่มีหลักแม่มีแรงถ้าเรา็ฝันไม่สาเร็จต้องมีที่ยืนมีจุดยืนการปฏิบัติธรรมก็มานกันกรรมคือหลักกรรมมาฐานคือหลักจำเป็นต้องตั้งตั้งไว้ต้องมีการกระทาลู่ที่กายลู่ที่กาย หัดใหม่เนี่อาจจะไม่มีแรงที่จะไปลู่ที่กายเพราะไม่เคยฝึกไม่มั่นตั้งไม่มั่นวิธีกายก็าจจะล้มไปก็จะตั้งไว้ก็หล้มไปตั้งไว้ก็ห ล, ลงไปเอาไปมาความลงมนั่นแหละมันจะเป็น บทเรียนที่้ทําให้เกิดความรู้สึกตัวกันมาหลวงพ่อมากจะบอกว่าให้ให้หัวเลาะความหลงหัวเลาะความทุกข์หัวเลาะความโกรธอาอนใสแนวร่วมสิ่งแวดล้อมกับตัวเองสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองถ้าไม่รู้จักสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองามาก็จะ ชนเก็บปวดบางอย่างมันสุกก็สุกไปเลยแต่มันสุกเห็นมันสุกหัวโลกความสุขหัวโลกความทุกข์มันเป็นการเบาๆผิวๆผืนๆเหมือนกระจ า, า, ายน้ำหนักกระจายน้ำหนักไม่ให้หนักสมมุติน้ำหนักร้อยเปอร์เซ็นเอาวิธีกระจายกว่าร้อยเปอร์เซ็นไม่ให้ลงที่เดียวกัน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 ไม่ความหลงแล้วก็หน้าหัวโลความหลงมันดูแลของมันไปกาเจริญสติมันมีถ้าจะว่าเทคนิคหรืออะไรก็ได้ยั่งได้อารมณ์กรรมาฐานได้หลักได้อารมณ์ต้องมีอารมณ์นะ ตั้งแนคือกายานุปจนาเวทนานุปสนากิตานุปจนาธรรมานุปัสนาเป็นหลักหลักปวดปล่อยหลักหลุดหลักแก้เงื่อนไขที่แก้ออกทำไม่ไี้แก้เอาออกจากกันนั้นเครื่องยนต์กลไกบ้านเรือน อัตกรรมศิละปะกรรมที่มันผิดแก้ถ้าผิดเราไม่ไม่แก้ไม่เปลี่ยนมันก็ไม่เป็นช่างไม่ได้เป็นศินละปะไม่ได้เป็นปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติคือมันแก่เป็นมันเตียนเป็นมันทำเป็นมันหลงเปลี่ยนเป็นไม่หลงเป็นความรู้สึกตัวน่แนะแก้เปลี่ยนมันทุก รู้สึกตัวเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยแก้แก่เป็นเปลี่ยนเป็นไม่ใช่มันทุกข์เราไม่รู้จะแก้ไม่รู้จะเปลี่ยนก็ให้เข้าถึงเออถึงตัวเจ็บปวดไปไม่ใช่ปฏิบัติทำมันดีดีดีดีเหมือนขนหัดจักหัดสาน ไปตั้งต้นเราเองเป็นจากตอกเป็นสารเป็นเมื่อมันผิดแค่เป็นเขาก็รู้จักว่าภูมิใจก็ทำมันขึ้นมาเขาเลือมันออกเขาจะสร้างอะไรบางทีมันแตกฉานทำอะไรมันก็แตกฉานอัตรกรรมเนะี่ยสารไปเป็นตัวหนังสือ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 แตกฉันในกายในใจไม่มีที่ลี้ที่หลับเขาเรียกว่าอารมณ์แต่ว่าหลักกรรมฐ า, านอารมณ์ของกรรมฐ า, านแล้วอารมณ์ของกรรมฐ า, านมก็มีจริงๆเข็นา ธ, าธาตุากรรมฐ า, านธาตุกรรมฐานขันธ์หน้ามันได้หลัก เห็นรูปเห็นเวทนาเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นวิญญาณเห็นธาตุดินน้ำลมไฟประกอบกัดกายเป็นดุ่นเป็นก้อนเป็นขันเป็นความรู้อะไรได้เป็นอากาศเป็นวิญญาณธาตุเมื่อมีธาตุก็มาานมีขันห้าบัวก็แล้วก็เป็นดุ่นเป็นก้อนเป็นก้อนนะน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 แยกรูปแยกนามออกให้เป็นเวทนาล้วนๆไม่มีอุปทานไม่มีสุขไม่มีทุกถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของเวทนาล้วนๆไม่มีอุปทานไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุขกขจะว่าได้อารมณ์ได้หลักได้หลักลื้อถอน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 เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยมันล่วงพ้นเภาวะเดิ ม, ดมแต่ก่อนหลงก็ลงเต็มตัวทุกข์ก็ทุกข์เต็มตัวทุกข์ล้นล้นโกรธร้นนร้อยเปอร์เซ็นตคือความโกรธทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นตหลงร้อยเอร์เซ็นหัวรอดร้องไห้ แต่ด้ความหลงความทุกข <anak> ์ไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีร้อยไปเสร็จก็ม่อบให้ความหลงมอ่่่่่่่า่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่ญ่่่่่่่่ญ่่่่่่่่ญ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่า่่่่่่่ญ่่ ความหลงมันก็เป็นปัญญาความโกรธก็เป็นปัญญาปัญญาก็มีอยู่ในลักษณะแบบนี้ครับกรรมฐานมันไปแบบนี้เป็นการสั่หลงเป็นการสิกสิกขาใจสิกขามันเป็นหมวดเป็นหมู่มันเป็นหมวดเป็นหมู่ที่มีการเกี่ยวข้องกัน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 เริ premises, ่มต้นต no ั้งแต่เราสร้างจังหวะสร้างสตินะไม่หลงก็ไม่รู้นะไม่หลงก็ไม่รู้ไปเลยไปไหนในสุขก็เห็นสุขในทุกข์ก็เห็นทุกข์ไปเลยเลยในกายมันก็เห็นกายเวทนามันก็เห็นเวทนาแต่ก่อนมันเป็นตัวเป็นตนอยู่กับกายมันเป็นตัวเป็นตนอยู่กับเวทนามันเป็นตัวเป็นตนอยู่กับความคิด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 ไม่ใช่ไปคิดเอาเหตุเอาผลไม่ไปเอาได้เอาเสียไม่ใช่ไปเอาผิดเอาถูกมันเห็นไปแบบนี้นะปฏิปธรรมหลักก็มีตรงๆล้นๆกายสภาวะก็ ก, กายไม่ใช่สัตว์ปุกลตนตนโลภเขามันก็มันก็ไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็โคดไป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 ผ่านไปได้ผ่านไปได้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนอยู่ในความคิดจนหอบพิ้วตัวเองความคิดพาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดพาให้รักให้ชังความคิดพาให้พอใจไม่พอใจไม่มีแล้วอว่ า, วามคิดไปเพ่นนั่นน่ะจบกันทีที่จะมาหอบพิ้วเราไปให้รักให้ชังให้เกิดปัญหาจากความคิด เดี่ยวว่ากิตเนี่ยกิจมันก็ต้องคิดมันก็ต้องรู้อะไรไแล้วมันรู้อะไรมันก็ไม่แค่รู้เถื่อนๆมันก็มีกิจที่มันคิดเป็นมันบวกกันเป็นกลายเป็นเวทนาเป็นกิจเป็นธรรมเข้าไป ไปเห็นรูไปนามก็บวกกันอีกก็เห็นชัดเข้าไปเห็นเงื่อนเห็นไขมันเป็นอารมณ์มันเป็นทางไปทางรูความรู้สึกตัวพอไปดูไปเห็น้อไปศึกษาไปถลงุงไปย่อยไปแยกไปแยกออก เป็นปัญญาปัญญาเนี่ยคือรอบลู้ลู่รอบ่อชื่อว่าปัญญาแล้วก็ปิดแล้ววงได้ปิดแล้วไม่มีอีกแล้วถ้าเป็นปัญญาจบลงที่ปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นเท่มกลางได้ที่สุด ปัญญาก็ได้จากการศึกษาได้จากการบทเรียนที่มีการกระทําที่มีการประกอบเห็นเราเจริญสติเนี่ยนะเราก็ประกอบก็มีความรูส้สตัวอยู่กับกายจริงๆเรื่องของกายก็มีมากมันแสดงออกไม่มากจริงๆทั้งสุขทั้งทุกข์ ความสุขความทุกข์เราก็เห็นทุกข้างที่มันสุขที่มันทุกข์เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจที่มันเป็นตัวเป็นตนก็รู้ไปรู้อันเดียวตอบข้างเดียวไม่ใช่ตอบคนละแบบตอบข้างเดีย ว, วคือรู้สึกตัวคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะี่เป็นตัวนำแต่เป็นยาโอเป็นยาเ็นโบล า, <c oughs> ายาตบก็ต้องเป็นยาหัวเป็นตัวนา ส่วนอันเนก็เป็นส่วนประกอบแต่ตัวนําจริงคือยาหัวหรืออ้อยดําแต่ประเภทยาต้มทั้งทั้งมวลทั้งหมดนะตัวนําจริงคือยาหัวอ้อยดําน้องๆก็เอาอันอื่นมาประกอบน้องก็นําได้สําเร็จมีคุณภาพ ในคุณภาพถ้าขาดยาหัวอ้อยดําไม่เป็นตัวนำเนาะยาขนาดเดินๆก็ไม่ค่อยจะเวียนคนละภาพหลักของสมุนไพรหลักของชีวิตเราก็เปิดกันมีตัวนํามีตัวรูปเป็นตัวนําตั้งต้นตัวรูปเป็นตัวนํา แล้วก็พาไปให้เกิดคุณภาพเห็นแต่ก่อนไม่ค่อยมีประโยชน์กายใจของเราไม่ค่อยจะได้ประโยชน์จากมันหรืออาจจะเป็นโทษเชิงมากกว่าพอมีสติเข้าไปมันคนนำโทษกลายเป็นประโยชน์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 หรือเป็นอาหารที่เป็นเมี่ยงที่ม่รสชาติดีเช่นมะโกอ่อนใบมะละกอถ้าถ้ากินเฉพาะใบมะละกอมันก็ขมเื่อนกินแต่เฉพาะมะโกมันก็ฝาดถ้าเอามะ กออดเอามาหอ่อกับใบมะละกอเอาไปกีบปลานา่นกลายเป็นเมี่ยงมัดไปเลยรสชาติไปเลยนะชีวิตเราก็งอนกันบางทีนี่เราจะไปกลัวเลยกลัวอะไรบางทีเรากลัวอะไรหลายอย่างในตัวเรากลัวเจ็บกลัวปวด กลัวร้อนกลัวหนาวสู้หนอวไม่ได้เป็นคนอ่อนแอเลือดน้อยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกกลัวปวดหลองปดเอวโครงสร้างไม่ดีกระดูกไม่ดีอะไรก็คิดไปในโลกประยำตัวยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดทําอะไรก็กลัวไปแล้วก็ไหมบางทีไม่ไม่น่ากลัว ยิ่งความโกรธยิ่งความทุกข์เนี่ยยิ่งเป็นบทเรียนอย่างดีนะความหลงก็ยิ่งดีความหลงความโกรธความทุกข์เนี่ยทำให้เป็นพระพุทธเจ้าทำให้เป็นปัญญาได้อยา่าไปกลัวอะไรในชีวิตของเราเขาขู่เฉยๆกิเลสพันห้าตัญหาร้อยแปดฟังดูแล้วนะบางทีก็พูดไปเลย พุทธิราจิเดศพันห้าตันหาร้อยแปดได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าองคเดียวเท่านั้นห่ะคนเด่นไ ม, ไม่ไม่มีปัญญาเอาไปขู่กันบางทีก็ว่าหมดสมัยแล้วหมดสมัยของความเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นพระพูดัาแนี้นาศาสนาพุทธมันหมดไปแล้ว เขาก็ว่ากันไปเขาก็หาส่วนมาประกอบมาล้างมาทำลายก็ไหนเข็นไปประชุมไปประชุมกับเจ้าหน้าที่กองการศาสตร์กานเขาก็เขาก็ไปพูดกันว่าศาสนาทารย์ ทำยังไงจึงจะสร้างศาสนาญาติเราเป็นคาถามของพระผู้ใหญ่ถามกมการศาสนาว่ากรมการศาสนานี่จริงจังขนาดไหนกับพุทธศาสนาพออะไรยังถามอีกเพราะว่าเช่นอิสลามอิสลามเนี่เขาไปหัด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 กรมศาสนาไม่มีรัฐบาลจัดงบประมาณให้เลยจะไปก็อยากไปก็ไปไม่ได้จริงขนาดไหน อ, อธิบดีกรมการศาสนาเราก็ถามกันไปถ้าจะพูดถึงการศึกษาโรงเรียนปอนก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 สาระธรรมญาติจะเรียกเราคิดไปคิดไปโอ้ถ้าไปคิดแบบนั้นการเมืองอะไรต่างๆโอ้ยมันวุ่นวายอย่าไปคิด น, าานั้นพวกเราก็เอาเนื้อมาปฏิบัติทำเนี่ยไปคิดทํำไมไปคิดแบบนั้นเอามาขาดมาแยกยิ่งการเมืองทวนีย่ยิ่งไปกันใหญ่เอามาส่วนตัวเนี่ยมาสร้างต๊เร่มามีสติเมตสัมปชัญญะอย่าอย่าไปให้มันหลงตรงเนี้ ถ้าไม่หลงตรงนี้หรอโอยนี่เหรอกาชาณฑายาตกาชาณฑายาตเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจทันเีไม่มีทางที่จะทําความชั่วไม่มีทางที่จะเบียดเบียนตนไม่มีทางที่จะบียดเบียนคนอื่นเอากายเอาใจมาทําความดีเอากายเอาใจมาลวความชั่วเอากายเอาใจของเรามาทําความดีก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม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 เท่านี้เราก็ทำแบบมีหลักมีฐานมั่นคงจะอยู่ในสถานาการณ์แบบไหนไม่หวั่นไหวเลยนะจริงจริงชีวิตมันต้องเป็นอย่างนี้เนือเกิดเนือเจ่เนือเจ็บเ น, อเเ น, อเเนือตายทำรายความโลภความโกรธความหลงลงได้บ้างหนะลงได้บ้างหรือหมดไป มันก็ท่าไายแล้วจะไปยอมมันกล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงคลองกายของใจเรานี่ต้องเป็นเรื่องเรียบต่วนกั้วอย่างอื่นอย่าไปคิดเรื่องโน้นเรื่องเรียบต่วนมาอยู่ตรงนั้นมันท่าทายเราความหลงมันท่าไายความรู้ความทุกข์มันท่าทายความไม่ทุกข์ความโกรธมันท่าทายความไม่โกรธ ความวิ ต, ตกของวลเศร้าหมองมันท่าไายชีวิตที่ปกติชีวิตที่ประพัดสอนชีวิตที่บริสุทธิ์นี่เราทําได้ทันทีเลย <c oughs> ไม่เกี่ยวกับคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นเลยมาสร้างสติยกมือเคลื่อนไหวลู่เึกตัวลู่เึกตัวเนี่ยเมื่อทําตัวในีได้แล้วเนี่ยเราก็ไปดิฉันหลับภาพชีวิตของเราก็จบจ้ะมันจบลงนะ เรียกว่าปฏิปิธรรมเริ่มต้นจากตรงนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็เกิดจากตรงนี้ไม่ใช่ไปทำอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เขาก็กังวลเรื่องสาสนธาญาตจะไม่มีเพราะว่าการศึกษาภาคบังคับม .3 ม .6 เรียนฟรีสต่เมื่ โอกาสเรียนจบโมหกก็เป็นอายุสิบแปดปีแล้วไม่มีโอกาสบวชเป็นเนนต่อไปน่าหลวงก็จะไม่มีน่าหลวงต้องได้ปัญหาบริเวณเก่าตั้งแต่ก่อนยังไม่บวชเป็นพระแต่นี่คนก็ไม่ได้เรียนเป็นเนนแล้วก็เกิอเอาแบบนี้มาคิดแบบนี้กันหาสาราทณายาติไม่ได้เหมือนสมัยก่อน ต้องเอาเด็กเอาลูก้าวเขามาบวชมาเรียนกันไปเอามาเรียนกันโอ้ยพวกเราก็พบหลง่อเทียนเมื่ออายุสามสิบปีรถุดศาสนาธญาติเกิดจากการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เกิดจากรูปแบบเกิดจากปฏิบัติธรรม ไม่ใช่นักวบวชเถพื่ไปเป็นฆราวาสญาติโยมอุบาสกบาสิกาเห็นไหมนาถาพิจิกาเศรษฐีนางมานางวิสาขามหาบาศิกาหลายาศาสนาทาติของพระพุทธเจ้ า, าศาสนาทายาของพระพุทธเจ้าถ้าจะประวัติของสมณเณรก็มีราหุ่นเณรสังกิจจะสมณเณรเราหุนสมณเณร ถ้ามีไม่มากส่วนมากบรรลุธรรมช่วงอายุสามสิบสี่สิบปีอายุสามสิบสีสิบปีได้บรรลุธรรมมากกว่าอายุช่วงอืง่นเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรถ้ามีสติปฏิบัติจเจริญสติสัพพชฌานนี่แหละหลักมันอยู่ตรงนี้โต้โตม้มาอยู่ตรงนี้มั่นใจมากๆอยู่ตรงนี้แน่นอน การที่ศึกษาเข้าถึงศาสนาศาสนาญาตเป็นพุทธบริษัทจริงๆอยู่กับการปฏิบัติธรรม